เปิดมาเลี่ยมใหม่กี่ข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี้ยเปิดเรี่ยมใหม่ได้แก่ใช่ใอ่ใช่ติดกระอก่ใช่ใช่จได้ไหมตะกี้เนี่ยกันจะทำการเปิดรพเองวันนั้นจะเข้า เอายยับก ouais. ่นนแาหลพอาาไ่ต้อจกลางตอมามา้มาต้ังมาต้งมาต้องมามา้กันาต้องมาต้องมมาต้องมาต้องมาต้อง้องมมาตตอ น้ำม so so so so ัน so ท oh, oh, oh, oh. ี่ต่อยใส่ลงเลยนะถ้ามีในหลวงได้ขันได้เมือนกันถ้าแค่จากหน้าพระดีกว่านตเหมือนแกก็บอกน้ำมันที่หน้าพระหนัก ไม่เป็นไรนะถ้าตั่งไว้ให้ไปทานถ้าไหว้พระหรือว่าการเคให้ทุกคนก็แล้วกัถ้าไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปแกะกันมากนะบาปนะแล้วก็รักรักนะรักนะรัก การแตกในรูทท glaub, ืออะไรสบายาสต้นเรีอธิษฐานเอาเียนต่อเลยที่นั่งอธิษฐานเอาถึต่้งงตั้งใจตั้งใจตใจ้้งใจตงใต ได้ได้เป็นจำไ่ได้ยาหวานต่านพบตงอย่างพวกานเป็นมาหานเวเดียวกนี่จะสมากเสอารในนในามากผู่ายจะมีากว่าผาั ขุดข้างบนขุดข้างล่างขุดข้างบนขุดข้างล่างได้ไงพระพุทธเจ้าสับงนายทำตามนั้นนะเปรียบานบนแล้วก็ท่้งไถ้าปัญญาหสมัยความมาตั้งแต่ประตูดาไปก็ไปเองถ้าปัญญาลมแค่ปัญญาห้าใช่ไหมอสวกสิเลศ กราันก็ปัญญานียนะนั่นคือป่กิเลสกจะมันโสดาบันไปไปเรื่องยาวได้ใช่ใช่ใช่การยงสมัยถ้าทำปัญญาได้ไม่ใช่หอกคนเดียวนะจะไปขีดแสงกิรันตินก็ได้ไปได้เลย แล้วเวลาทีมีงานวัตถุก็เก็บแค่สุรบานไปบาทมาสองเหรียถ้าใครไม่มีแก้งสองเหรียก็สุรบานแหล่ะตอนเรียนศิลป์ต้องทำการเท่าแห่เก็บเงี่ยใช่ใ Come on. รู้เจเจสบายไม่กี่วันเป็นขนาด อยู่มันบินมาล้าแรงอะไมแรงาวิ่งขวิ่งแรงมาปอมหน้ามแล้วไอได้ตัวจริงไม่ได้เลยจะจำลองไปตัวจริงไม่ได้นะขอจำลองได้ อ่าสองคนเราจะสองคนให้กันคนไ่พอ่ไหมใช่สองคนเป็นคนรียนมเรื่องว่าทางัวเรียนมาเรื่างทางที่นี่าเจ้าท าอาจจะเป็นคนเก่า mm. แต่บารมีย okay. ังไมเดกเก่าที่ดาวสัเด็กก็ไป็นคนแต่ว่าคนที่เป็นตัวดาบันได้ก็มีบารมีเก่าแล้วแต่เราเนี่ยสมควรก็เพิ่มากขึ้ที่ตอนที่ตายเข้าใจว่าบารีเก่าบารมีใหญ่ใหญ่แต่ไงก็เป็นนึกถึงพุทธเจ้าในการนึกถึงพรทธเจ้าจะดีในใจเราทารก็ถือว่าเป็นพุทธาคนประเภทนี้ไปเกิดชาติใหม่จะไม่แพ้คนอน ถ้ามันระเจ้าอยู่ก็พบพะเจถ้ามมนมีเจ้าจึงพบพระสรุปถ้าไม่มีพระสรุปเป็นเถามันือเขียนว่าพะสรุปใช่ก็ไะเาเปรียบจาก็โอเอยาลืมประตูเก่าเพราะอะไร คนเก่าที่สั่งสมมาก็จะเป็นสมวดตตาปัได้ครับาไม่ใช่ปรมามารมีมนเป็นไม่ได้คับอยู่แล้วทีบุนเก่าสั่งสมมาดีจะไห้ชาตินี้คุเกิดมาครอบงำมากเลยเวลาที่ใกล้จะตายมันเลยคนเกิคนแท้ไปอย่างนี้นะใช่ใช่ถ้าคนเก่าก็สนคนใหม่ก็รับต่อไปใช่เ่็นหน้ากันคนนี้ไม่ใช่แข่งไป ต้องถึงข่านแข่งแข่งว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดทำไมเป็นมหาเศรษฐี้าแอะท่านจนข่าจนจะตัดคอทิ้งแอะไปไรเป็นมาเศรีตงใจตัวนี้ยัเป็นมหาเถรีนี่งเป็นมหมาเลยเอาเปลียนชาวบ้านหนิอไหมาที่ไปทามาหากิเนี่ ย, า ย, าานนยหาใจขอทิ้ยงยาง ใ่ใ่ให่เมื่อคืนนี้รัฐแ่งคุยกับผู้บัญากานะบอคุณ้นงาให้ยาแล้วบอกว่าเออคุณอยู่เลยเลยไม่มาไม่ดิ้งก็นี้นะถามทำไมไปบอกเด็กๆคนนั้นมันว่าเจ้าแผปบัตรนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดกีดข่ายต่อตามนียังไม่ปฏนบัติค nah nah <ingu> nah ับว่าจนมันจะเป็นการสดวจนหา ในวกนี no ้นะราบกันหมดนะ้บอกบอกหมอหมอถือว่าจิตยาที่คุณได้สอน่อนเขาจะกิยาเลยไม่ต้ดังเลยตำรวเรียนทุกคนพูดจขบอกแล้วนะว่าทุกคนท่ายังไม่มีความเชื่อไจคาว่าเจ้าชนจะไม่มีแต่ฐานะเป็นยังไงต้องมหาศาลระดับประเทศมาตรฐา่านแรงกำลังแรงมาก อย่าไอยากโดนอะไรกันมันแบ่งไว้กันแตมันไปโดนที่ตัวโดนแก้ทำให้โดนแก่แก่ดีมันยงเขาตายไปแล้วจะพูดเลยจะติดแตงรังแก่ก่อนแม่ัวยรวยดีรอไหลทันมาบ ไม่ลดสิบล้อสือมันรับจดแล้วแก่แล้วแต่ก็สายแค่เพราะราคึงและก็ไม่น้อยนะแอ้ก็บีึงทการนี้เสียภาษีไอก็บันรตอมั่งบอกโยบโยบไม่ดนโจมตคนโรับเสร็จยังก็จนเยอะแะไอ้ตัวเรบ้ออไรกันพวกเรู้เรื่องอะไรย้อมใหญ่ไปนจเยพวกเรื่อวันรถสึบล้อหายทั้งลักเลย แล้ก็เขกเขหเมื่อไปตแดงด้านหน้า้าท้ายทางงายอกาถไปหาด้านขวาก็เลยไมวนแต่วัดห้่ไเที่ก่อนเทียวก่อนไม่มีพระโอไหมตัวตาย ถ้ากอดได้มีแต่นคนที่กอดพระจะตัวตายอ้าทำวบาพระแล้กไ ป, ปไไเกิดไป้วก็โตโดาวไปไปเลยธรรมะไม่น่าดู ไม่ทอดแน่ยยังไม่ตบันสไ่บเออไม่ทอดก็ไม่แน่เราไปถหรืออกันแต่เราไม่ได้ไปไหนที helmet, ่แต่นั่นมั้งเออทำมันก็เห็นห้าใสหมดเรื่องของเราละหลบไปไปเลยเป็นไรยิ่ก่อนยังไม่เสี่าเป็นกจขโมยอยส่งสงนอกสุดมาี่ยวกลับไป่ะพูดไนะแค่ตีหน้าพูด มาเราเจ็บัาคนเลยใช่ในกาแสงเทียนหาทางออกไม่ได้แล้วใช่ผู้เลี้ยงเออเนื่องหาทางออกไม่ได้สพราถามแบบนี้แ้่เนของสองมันต้องมโนเจตนาเขาไม่ได้ไปไหนแค่หาทางออกไม่ได้ก็เลย อย่าลืมว่าท่านเป็นลุกนะลุกน่ะโตกว่าพ่อนะให้ไม่น่าโมหแบบนั้นตรงนี้แกก็สัตย์สน้าได้ยินหมดคนส่วนนะแป้งไม่ลงส่นนะลุกพ่อเป็นอ เวลาวัานวันในวัน สร้อยยิเ็เอามาสักแปดเลนเท่าไหร่แปสิคนเท่าไหร่สิบคนแปดสิบร้อยคนแปดร้อยเลยสิภาพได้ร้าเจ้าจะมีิ้มเหลือแล้วเอานี้ เวลาเลาจะกินข้าวนะบอกถึงคนรออ ก, ก่อนกินข้าวด้วยควอยหน้าประตูนี่นะออคอยก่อนไปก่อนจะออกมาแต่ก่ามจริง้วไม่เป็นไรนะจะมาทางทิ้งแปดไแล้วนทัที่ไไทางก็ค่อนข้างใะไหวแค่ตรงเหนือแค่สุห้านนะหรือว่าจะรักษาทิ้งแปดเอาแค่แปดตัวไม่เอาเก้าจะได้ไ เจ้าเปืออะไรตั้งกกิน่กมาลาเราแยกกระเทแตกแตกกเลยนะไม่เล่าก็เป็นก้าตัวนั่นตัดพิการแล้วคนาเรียกนั่ตัวแั่งแตกใช่จริงไม่ไป็นไรไม่มีโทษนะแต่เขาอยู่ข้าวกินก็กินไม่ถึงนะฮะ ไปโรงแรมเกิมาแล้วเหรอปเกิดมาได้บอกคืนนี on, okay ้มาไม่ได้ไปโรงแรมเลยงั้นเออจบดีดีหลอดไฟหลอดไฟ ที่มายไมรเงเลยท่าทีจการสินคาก็ือว่าข้อที่อะไรอยู่ที่ไนแต่เคยกับเรแสดงตอนนั้นต้อ้ัรไปขอเลขยประูน้านะแ้ก็เทไมไมอะไรเออเรแจกกรถางจนร้านนั่นเ ก็ทาให้เป็นสมาชิกได้ทำแบบการสบายนะเวลาทาอย่าหวังลาบวังมาเลคนรู้เรืงยากเยอากแค่ทนหลักถ้าหวังว่าทาอยากจะให้รวยยัมันหหลังว่เ้ปา่วางตลาดแะมาความรรับามน ไม่ใชแหลมออกตัดตาออกออกไปทางนี้ออกมาไปทางตาตาไม่สบานเจอใครน้ำตกก็้อมาแทนตาตของตาหายไปแฝงแฝก็แฝงไปลูกไฟเจ้วลูกไฟได้แสงยากมากนะก็แบบไปไปจะได้แสงไม่ยากไม่ยาก เอาถ้ากอดใช้ฟังนว <laughs> เากาใจมือแกปัวที่แคบตุกไอ้ไน้าเกี่ยวกับสมาธิก็ตกไปที่มีแสงออกไอ้หน้าก็จะเป็นพทรฤษีตาไฟไก่ไก่ๆๆ่สมาธิถ้าสมาธิตรงสูงแค่แค่นั้นก็เป็นตามิปแต่ยัอยากอะไรส่งนะต้องทำสมาธิให้ใส่สิดอยากจก อา้กิจย า, ยารมือไเป็นเป็นจักรยนต์วตัวเนึ่ตต้องทะไระไรทั้งป่านที่เรีเ่องเะถึแต่แข็งจะถึงกขงตาใราไ้ก็อ ย, า, ยากเป็นบตัวนี้คือโบได้ตัวใจตัวหนึ่งถ้าถึใจเวลาทังตอนสมัย ก็ถ <sta. S 2> <Esther. S 1> ูกก็ถูอบนหลังคาสามัก็พอแล้วมามาตอ่อหังคาตอ่อหลังคาต่อไปต่อใช่เรอใใช่ใช่โอ้ยนิ่ไมอยางได้แต่สองมือเออใจไม่อยากได้ใจไมอยาได้บุรคง เดี๋ยวสิ สมาธิก็ทำเพื่อเงียบใจจะงดงแก่ตันนี้การทำสมาธิเขาไม่ได้หมายถึงการที่ปฏิบัติเป็นสุขภาพเป็นตัถ้าต้องการเห็นต้องเป็นคิวโซหรือชนะคนละหมดไปฝ่ายคนละหดนะถ้าเป็นเควิโซก็สามารถเห็นได้ดรวยกากใจ ถ้าเป็นแทลัตโจรเองได้ด้วยไหงด้วยมันโนนี่ก็มันบวกกับวิชาสามวิชาแต่คือทำไมราะว่าใหญ่กว่าวิชาสามแต่เปวิชาขนาดเล็กก็สมอง ก็ ม, นะามาฝึกด้านนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกันเพราะเ็นกมันมันมีหมวดอยู่นะจะมาพิมพ์อะไรอย่าทนันไม่เอ า, ทำ อ, าทำอย่างไดอย่งหนึ่งแล้วก็ได้ทุกอย่างทีงนะ่เกี่ยวกันนมแต่ทีเ่เราทแกงกงทอดมันเสร็จที้มันไม่ได้เราอยากจะเอรอบกทีเลย่านเวลาไหนนะ ผาไปไม่กี่วันก็ไปที่นั่นท่านก็มาให้ามช่วยเหให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้เป็นคนแรกในคนแรกวันที่ผ่านไปเป็นวันทแล้วมาถึงตอนนีเสร็จแล้วเสร็จ เราต้องเราควงมีแค่เด็กชายไปตอนตไอยู่ที่ไหนโตที่อยู่ไม่กี่ันมือยก็หมาแม่ก็หมาแก เราตุ่มหมาแม่แมตุ่มหมาหนมหมาหมาหมดบ้านนี้อันนี้ไปพบพี่โดนที่บ้าโคการเลยรทีมาติดไให้เด็ผู้กาคนเคยเห็นหน้าแกมาฟังเทศไปล่อยไปทุกทั้งกันมาฟังเทกใช่ไหมวันนั้นยังไม่เทศก็ยเห็นหน้าแแต่ใูมรู้มาคระัดไข่ปลาลพอตุ่หมาแม่ตุ่มหมาหนูตุหมาหมาหมดบ้านเลยค่ะนี่มาเรื่องจริงใหญ่แก นี่ได้บอกยกตรงก็มาถามว่าการช่วยเหลือว่าเขาที่มกตายไปไหนจะได้เวาการจกไปประชาชนก็ถือว่าร่วมในการสร้างสาธาใช่แจกจะเร้งงานเท่าไหร่ แรานก็เหมือนเลนแต่มก็มอย่งากงากับในแข่งของอะไรชนมาข้ามาตบคือตุ๊กตาการตุกร๊กตาเพช ร, พรพนั่นในแข้งเขาตายไปแล้วเข า, าเป็ น, าาา น, านกมาเป็นยอดานเป็นดาวือตกตาแต่แข้ขอยอยงด้วลากตัวยืดเอาที่ะไรยกเลยยก้ก็เยื่เอาลองแรงแบกไปก็ไปเกิดเป็นอวันเ็นีเหมื ในคนนี้ท่านก็ต้องมีมายอยู่เอราวัณเป็นเทวดาเวลนางที่น้องสข้างก่อแผนเปงแทางในสมัยที่อยู่ม น, มนุษย์ตา้งหัวเดียวถ้าเป็นเทวดาเป็นข้างฐานหัวหัวก็คืที่นั้นนิดเดียวสร้างเอาอแล้วก็ในงานก็็นจักรน้ำ น้ำก็มีต้นตัวดอกตัวก็มีหลายดอกแต่กลิ่ารอมาในยาม้าเป็นแสดงว่าเป็นช้างตัวใหญ่มากไม่รู้ม่เป็น้าตาบรีไม่อย่างนั้นเป็นนร กา้าท้องกันมารทากการฆ่าก ให้ให้แล้วไม่ได้ให้เงินหรอกเข้าใจใหมุ่ณจ่ายไปเลยแล้วได้อะไรเข้าใจอะไรบ้งเขาเข้าใจแค่เงี้ยเนาะ ไอ้นี่มันก็เป็นระเบียบระเบียบการทำรับมาคนรับเขต้องเก็บขึ้นมารับกบมากห้คนไทยรับสุอปแล้วแค่ห้าร้อยอง วันมาวันมาวันไดเก็บเงินไปไปหน้าว้าเร็วไปน้งว่าจิตายแบกไปสบายจะไม่ลบจะไม่ลบแม่ไหมแค่กินแก แต่ไม่ใช่ซื้อแล้วการปิงไก่ไม่คันสูดหรองใช่ไหมทานเกลือเชานก็ทุกคงก็คิดว่าถ้าจะมีความข้องใจไม่แกล้งนถามไรอง์นเป็นถามเจ้าวาดมาแล้วมาคุยทาเจ้าวาดนะตลอดถามจันจะถามหาจำลองหาสรนักเทางนั้นเนี่ยก็บอกไปมีอะไรครับแล้วคือก็อ่านอ่านามหันมีนะครับเราไม่รู้่ากละเมาก รอตาผมคอยต่อไายดีสุกตัวว่าหมดเลยเตี้ยงดีกริงๆทดลองแต่เทพขนาดดีเลยจริงๆกายก็โยหมอบเป็นโักหัราะขั้บ้าเี้ยหัวเราเหีมันใหญ่หมอบแต่เี็นะ แลว้วพอจบเทฟังเกมเป็นึงช่องบาทหนึบาทก็จะรึไม่ึงถึงเพื่อจบดอใช่ไหมไม่ขัญญาถ้าโยหรือจะเปาเดียวคือเป็นผงเลยกยะอันไม่นานสร้างเงินถอซื้อถอนสักกาย์โดนเกนะต้องไมอันตอนนั้นอันเป็นผงถามไม่ถามไม่ได้แต่น่าเสียาเนก็อนน้เส ถ้ามีเทปนึกเสียงแล้วก็มีหูเทปนะถ้าถสงแล้ผ้าไม่เจ็โอ้ยเปดที่ไหอหาที่ไหน